เป็นอยู่อย่างนี้ความเดือดร้อนของผู้ดยิบทำชั่วผู้ิธรรมดีแบบไปสถานที่ใดจะดวู ส, วาสบายใจไม่คิดว่าบุคคลผู้นั้นเขาจะจับกุมคุมตนไปติดคุกติด ป, ปรางก็เดือดบ่าเราไม่เคยทำชั่วไปสถานที่ใดมูคณะใบนี้เชื่อใจเชื่อเชินให้รับประทานอาหารดีให้ที่นั่งที่นอน อย่างสะดวกสบายนี่เพราะความดีในปัจจุบันทางตาที่พวกเราเห็นกันง่ายๆอย่าเข้าใจว่าความดีหมดไปแล้วความชั่วหมดไปแล้วความดีความชั่ว ย, ยังเป็ตนสมบูรณอยู่ในโลกจุดนั้นเชิดบ้านเชิดค น, น, น, น, น, น, นจงแต่ทำบำเพ็ญความดีเมื่อเราตา้งฐานพ้นดีต้องสร้างเอาทางความดี ความดีจึงสนองตอบแทเราบ้างนี่แค่ว่าป่าเถม่อนเอาแต่ป่าแตารแต่ทำบาเพ็ญไม่แต่ทาบาเพ็ญอยากได้แความดีแต่ไม่ความดีความดีกว่สนองจิตใจของเราไม่ได้เหวุนั้นตารแต่ทำจึงเป็นวหต้สงคัญป่าถือย่างไรเมื่อทำไปอย่างนั้นก็สมหวังทั้งตน เหมือนกันกันกบบุคคลราถนะผลละไม่ต่างๆนำเพื่อพันผลลไม้เหล่านั้นมาปลูกแล้วในสวนของตนผลละไมเหล่านั้นก็จะต้องเกิดบาออกผลได้รับตามคว า, า, า, า, ามปาณนณาของตนนีแหละการกระทำบุญกุศล็รากอบกันจะทำบำเพ็ญเอาในเมื่อชีวิต ข, ของเรายังเป็นอยู่เมื่อตายไปแล้วใครจะ เราทำบำเพรนให้หรือไม่เราทำบำเพรนให้เราก็เม่เสีย อ, อกเสียใจอะไรเพราะเดตุว่าเรากระทาบำทําเพรนเนคามตายมาถึของเราแล้วเหมือนคนกับเรากินข้าวเรารับประทานอาหารเมื่อเรากินอิ่มแล้วเราประทานอิ่มแล้วเขาจะยกยกสําหรับออกจากหน้าของเราไปเราก็เม่เสียอกเสี ย, ออยใจเพราะเราอิม่มถ้าหากเรากําลังกินอยู่หรือเรายังไม่ได้กินกําลังเสืออยู่เขามายกสํำรับออก จากหน้าของเราไปไม่ให้เรารับประทานในแห่เราจริงเราก็เสียใจขึ้นชั้นใบชีวิตของเราที่ได้จะ ท, ำำทําบําเพ็ญคุณงามความดีไว้ถึงแ ม, ม้มรณะภัยคือความตายเข้ามาถึงเราก็ไม่เสียใจเพราะเหตุบ้างคุณงามความดีที่เราตั้งสมเอาไว้เพียงพอบริบูรณ์อยู่แล้วหากเราไม่ได้จะ ท, ำำทําบําเพ็ญคุณงามความดีอะไรเกิดมา งีมาเอาเต่าฟันต่เรื่องนั้นอ่นมาโดยวชีวิตที่จะเรายนาถึงคุณงามความดีต่มรละาไขมาผ่าดชีวิตของเราไปอย่างนี้เราก็บองอดเคียวใจเพราะเราไม่มีคีอสิ่งที่อาศัยคือคุณงามความดีต่อไปในชุทางหน้าเหตนั้นจึงขอทุกท่านทุกคนพากันพยายามติตตามสั่งสมอบรมคุณงามความดี ตามหน้าที่ขอนาตนอย่าไปถือว่าเรายังเป็นผู้เล็กเด็กแดงอยู่ยังเป็นหนุ่มเป็นสาวอยู่ตอนเมเเื่อเท่าเจ้เชื้อก่อนยิ่งส่อยใส่ทำบำเพ็ญคู่เท่าคู่เจ้มาแล้วก็ใส่ลำใส่รว ย, อ ย, ออ ย, ยเชื้อก่อนเดี๋ยวนี้ยังทุกยังเจนอยู่ใส้มีควนมีความเจริญฝ า, าบ ร, ริบูรเชื้อก่อนยิงจะทํทาเป็นนามความดีความชิดชนิดนี้อาจแบบพลาดผ่านไปได้เพราะความตาย เป็นของแน่นอนและไม่บอกบานบอกเวลาว่าระยะใดเราจะจากร่างอันนีไปเหตุนั้นจึงขอทุกท่านทุกคนเมื่อได้ตําเหนือดถึงีิตของตนยังมีอยู่หรือเป็นงานความดีของเราทื่ควรจะไปทําบําเพ็ญอาไอย่าป่อยตาละเลยไะทําบําเพ็ญเาเสีในเหนือเราละเล็กเล็กสินบ้าน เป็นงานทำดีผู้น้อยทำกาเป็นของผู้น้อยใหญ่ทำก็เป็นของผู้ใหญ่ไม่ข่้ไปไม่ฟ้าทะุนะบิดามารดาจะทำให้ลูกก็ไม่ได้ลูกจะทำให้บิดามารดาก็ไม่ได้เป็นของจาเป็นเหมือนกันสัตว์น้รับประานอาหเนรับประทานจะอิ่มถึงข้อถึเหนือก็ไม่ได้ข้อเหนือรับประทานจะอิ่มถึงโลกก็ไม่ได้ทานเกลียดไข้ได้ป่วยเหมือนกัน พ่อแม่ไข้ป่วยลูกเป็นทุกจะไปหยิบยกออกจากข่ายจัดแหน่โรคใครไข้เกิดเป็นนั้นจะได้เบาบางไปก่อห ย, ยิบยกออกไม่ได้ยู่เกิดไข้ก็เหมือนกันเหิดนั้นเรื่องบุญเรื่องกุศลก็เป็นของสัตว์เฉพาะเป็นของคนอย่างนั้นพราะเหตนั้นขอทุกท่านทุกคนจงสนใจแต่ทำบำเชนเรื่องบุญเรื่องกุศลให้เกิดให้มีขึ้นในคนสองตอนต่อต่อนั้นไป ตารกระทำบำเพ็ญคุณงามความดีของทุกท่านก็จะมีความสุขสบายใจในอรส า, า, าตานแสดงธรรมขออำ น, นา่าบญกุศสและคุณชราศีรับรหน้าใจทรงสุขคลองฟองศพพวกท่านขายกอุบาสุบาที่ตายให้ประเสริฐบํเพ็ความสุกความเจริญบาตรนาสินใดขอสินนั้นทรงสมความมุ่งหมายทุกตการบางอาจสมภ า, าวาไปทาน เขาจะทรมาเจริาสมาธิฝนบ่าฝนควรว่าเวลาเวรวางฝ น, นด้วยตาละตรง น, นี้วันนี้เป็นวันสำคัญวันหนึ่งเส้ทางศาสน า, าถือว่าวันอาสาฬหบูชาช่ววันที่พระพุทธเจ้ า, าแสดงธรรมาจักกับปะวัตตนสูตรแก่พวก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 เห็นว่าสัสัตว์ในโลกมีวาสนาต่างกันท่านจึงเทียบเกับเรื่องดอกบัวทีเราดอกบัวบางอย่างค้นจากน้ำคอยแต่ แ, ตแสงพธาตุพิษเท่านั้นพอถูกแสงาาธาตุพิษจะแย่บานออกทีเดียวดอกบัวบางอย่างกําลังจะโผล่ขึ้นจากน้ําวันสองวันข้างหน้า โผขึ้นได้เราวัว บ, า, บางอย่างยังอยู่ลึกเราวัว บ, า, บางอย่างอีกอยังอยู่ในเลนในตมมนุษย์เราเข้าก็ใเจ้าเข้าใจชัดเจนเห็นไปจากอย่างนั้นทแทนทว่าอุคติปันยูอุติปันยูในญาบุคคลญาติทารกัลมะคือบุคคลที่มีวาสนาสูง สร้งสมอรมคุณงานความดีมาแต่ไม่สามารถแะตัตะทรเรื่องของธรรมโดยตนเองได้ต่อเมื่อพระพุทธเจ้าอริยเจ้าแนะนให้ยังทำสองธรรมรูธรรมเห็นธรรมเกิดขึ้นอย่างพระสายบุตรพอได้ยินธรรมจากพระอัจาิท่านพูดนิดหน่อยยงไม่กี่คำเท่านั้น ภาษาที่บทตัวรู้ทำพอใจทำได้ภาษาิบุตรมาพูดในโมกพลาเป็นเฉื่ขนของเขาฟังถ้าโมกพลาสัวรู้ทำเห็นทำขึ้นได้มีเรียก ว, ว่าพวกนี้ถ้าเป็นดอกบัวก็โผ่จากน้ําพ้นจากน้ํายังประสบแสงพาทิศเท่านั้นก็แย่บานออกทีเดียวพวกนอกนั้นก็คอยวันคอยคืนอบรม แนะสอนกันไปหลายวันหลายเวลาไม่นานนักก็รู้ก็เข้าใจเรื่องของธรรมได้พวกต่อไปต้องอาศัยฝึกอบรมนานๆเข่าพวกปทัททะประมามะพวกต่ําสุดก็เหลือวิสัยท่านผู้ใจเจ้าไม่ทรงแนะ ส, ส, สอนเสียเวลาถ้าเป็นบัวก็จะเป็นเหยื่อของปลาหีืเต่าเท่านั้น มีพวกเราท่านสรงเงินกันกับสัตษสัตว์หรือกับพุทธบริษัทในสมัยทั้างก่อนเกิดนั้นพระพุทธเจ้าจะสอนสัพวสัตว์ที่ได้เลือกหาบุคคลเชียอ ก, ก่อนไม่ได้สอนทั่วไปอย่างครูบาอาจารย์ในสมัยปัจจุบันท่านเห็นอุปนิสัยของสัตว์สมควรที่จะรู้จะเข้าใจในธรรมได้ท่านถึงเสด็จไปโปรด ไปเนะ้นไปสอนการสอนของท่านจึงเม็ดผิดพ่าดพอสอนายเข้าคนนั้นควจะได้รับประโยชน์จากคําสอนของพระ อ, องค์ไม่เหมือนพวกเราปัจจุบันทุกวันนี้เราพูดเทศในสมัยปัจจุบันทุกวันนี้ไม่มียานพอจะอยังรู้ว่าบุคคลคนนี้ควรจะแน้สอนอย่างไรและจะเอาทำอะไรมาแน้สอนหรือสอนแล้วจะไม่ได้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 ร้ายจริงร้ายอย่างบางรายก็เลยตายไปคนไม่ไหวบางรายก็ดีพอไปศพลัง <c oughs> เนื้อถูกกับแรงยาเขาว่าภาษาแพทยนี่เหมือนกันการเน้นสอนเป็นอย่างนั้นเรื่องของพระพุทธเจ้าเน้นสอนเป็นจวักขีเห็นว่ามีอุปนิสัยใจคอพอที่จะสลับรับฟั้งทำจากพระ อ, องค์ได้พระองค์จึอองเสด็จมาสอน พอสอนเข้าก็สอนในวันนี้แหละวันอาสาราหาบูชาจึงถือว่าเป็นวันสำคัญที่พระรัชนาจัยคือพระพุทธธรรมพระอริสงเกิดขึ้นครบรัชนะในวันอาสาราหาบูชาสอนธรรมจากกัปปวันตนนสูตรที่พวกเราเคยสวดกันเคยสาธยายกันแล้ว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 ว่าสิ่งใดริงหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นย่อมมีคามดับไปเป็นธรรมดาเราเคยจำกันมาและเคยรู้เคยเข้าใจว่าสิ่งใดที่เกิดขึ้นสิ่งนั้นจะต้องมีการดับพวกเราทั่วไปก็เคย่ายคิดที่นี้ที่จะเรยะียนะแจิตใจของพวกเราท่านจะตั้งมั่นหรือถอดถอนเห็นจริง ตามสิ่งเหล่านั้นยยกแสนแย่ทางหากเห็นจริงตามเป็นจริงและเข้าใจจริงอย่างนั้นเมื่อเวลาพวกเราท่านผูกสิ่งที่รักที่หวงแหนจากไปจะไม่มีการเสียใจในสิ่งเหล่านั้นเพราะเห็นว่าการเกิดขึ้นแล้วก็มีการแปรปวนและแตกสลาย นี่นเช็นอย่างนั้นทั้งทั้งที่เรารู้เราเข้าใจเราเคยได้ยินได้ฟังเคยได้ยินที่ใจานาเพอถูกลูกลักหรือภรร ย, ยาสามีพ่อนี่ยลมหายตายไปเกิดเชียรอกเสียร์ใจร้องให้น้าตาไหลได้ต่างๆนี่เพราะความไม่เห็นตามเป็นจริง <S 2> <S 2> ว่าสิ่งใดจริงหนึ่งเกิดขึ้นเป็นธรรมดาย่อมแป่ดับไปเป็นธรรมดาว่าแต่ป่า แต่ใจไม่เห็นตามเป็นจริงอย่างนั้นถ้าเห็นตามเป็นจริงจริงทั่วไปจะเป็นของรักหรือของแ ม, รงมร่รักกอดต่ามมีการเกิดขึ้นแล้วก็มีการแสบถ่านและแตกบบไม่ว่าเขาไม่ว่าเราไม่ว่าสิ่งใดทั่วไปในโลกเมื่อเราเห็นตามเป็นจริงอย่างนั้นจิตยอมปล่อยยอมวางในเมื่อเวลาถูกตัวของเราเข้าจริงจังความสัดเชียน ในจิตย่อมไม่มีนี่แต่ทรงธรรมะสังเวชวจินเหล่านี้เกิดขึ้นแล้วย่อมแตกสลายเท่านั้นเราที่ยังไม่แปกสลายก็จะเหมือนกันกับสิ่งเหล่านั้นสักคนผู้นั้นแน่นอนเข้าใจชัดเจนอย่างนั้นไม่มีการเสียอกเสียใจเสีย ร, ย ร, รยำพันค่าเห็นตามเป็นจริงนี่เป็นปฐมมทศนาที่พระพุทธเจ้าทรงแนะสอนและูรู้ผู้เข้าใจ เบืองส่วนของธรรมที่เป็นขยานของภาษาสดาถ้าหากรู้แต่พระองค์องค์เดียวเท่านั้นคนอื่นยังไม่รู้ยังไม่เข้าใจศาชนะก็ยังไม่สมบูรณ์คือยังไม่มีขยานหลักฐานอะไรนี่พอพระพุทธเจ้าแสดงออกไปเรื่องธรรมจักมีท่านัญญากลทัญญะซึ่งเป็นหัวหน้าของปัญจวัคคีรู้ตามเห็นตา่างจึงขออปสมบท คื อ, อบรรทาตาพระพุทธองค์ก็ทรงอุปสมบทให้ขั้นต่อมาเป็นระยะห ล, ลังๆพระองค์ก่อตั้งสอนแนะนำพวกปัญจวัคคีย์เรื่องอนัตตาลัคนาสูตรเร่รูปเวทนาสัญญาสังขารบินยานทั้งห้านี้เป็นอนิจจังเหมือนยึดถือเป็นทุกขังและบอกในนอนสอนไม่ได้เป็นอนัตตาพระองค์ ทรงแนะสอนผวกปัญจวัคคีพวกปัญจวัคคีที่นี้พิจารณาตามปฏิบัติตามยึดค้นตามยึดใจขอดถอนอุปาทานการยึดมั่นในขันเข้าใจชัดเจนเห็นประจักษ์เรื่องความหลุดลอยออกไปจากขาดจากขันของขันเหล่านั้นจนได้ตรัสรู้เป็นอริยบุคคลเป็นพระอรหัตอรหันต์ห้าองค์นี่เป็นเรื่อง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 ยังไม่มียังไม่เต็นในจิตในใจของพวกเราท่านทั้งหลายเหตุนั้นการที่จะรู้จะเป็นจะเห็นได้ง่ายก็เพราะอาศัยบาลาีเตาก่อนของท่านเหล่านั้นเคยองรมจะทำบำเพ็ญมาอย่างควรทันยะถ้าหากปูดทิ้งตำราท่านเคยทำบุญสุนทานปาฏิารเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าองค์ใดองค์หนึ่ง ปารธนาอยากจะรู้ทำก่อนบุคคลทั่วไปให้ทานทำการสุขสวนเออยให้ทานอย่างจริงอย่างจังผลที่สุดการปารนาเอาไว้และตั้งใจของพชณปฏิบัติคุณงานความดีมาเรื่องอุปนิสัแยแกต้าึ้นทุกวันทุกเวลาผลที่สุดมาพบพระพุทธศาสนาของสมณะโคดมบรมคูคือพระพุทธเจ้าของเรา ปัจจุบันนี้พอได้ยินธรรมะคำสั่งสอนที่ท้าพุทธองค์ทรงแนะนำแต่นั้นจึงรู้ธรรมก่อนเห็นธรรมก่อนเพื่อนทั่วไปที่ศาถนาเอาไว้สมความเจตนาของท่านที่จะสรางสมอบรมคุณงามความดีนี่พวกเราทั่วไปก็ได้ทากันตร้างองค์ตร้างใจสร้างคุณงามความดีตามกําลังทางสามารถ์ของตนคือในวันนี้เราถือว่าเป็นวันสาคัญ พวกท่านก็ได้แคกันพยายามสละจิตการ ง, งานที่เคยจะทำบำเพ็ญจนจนวัเเคยทำไรทำนาวันนี้ก็หยุดก่อยยาในทำการทำงานส่วนนั้นอุตส่าห์พากันเข้าวัดเข้าวัาเข้ามาถาวายอาหารพระบินทบาตและผ้าอาบน้มฝนตลอดถึงสมาทานศีลและรักษาศีล ระดับรับฟังทำคำสั่งสอนตอนกลางคืน อ, อีกนี่แหละาออการอบรมจิตใจหรือการจะทำบำทําเพ็ญคุณงามความดีเราอย่าไปประมาทจะคุณงามความดีนิดหน่อยเล็กน้อยไม่เป็นของสําคัญเราทําขนาดนี้ใช้เขาก็ทําได้อย่าไปประมาทคุณงามความดีอย่างนั้น เราทำลงไปด้วยใจบริสุทธิ์ของเราบุญกุศลย่อมเป็นผลขึ้นเกิดขึ้นแก่จิตแก่ใจของพวกเราการแต่ทาคุณงามความดีบันบิตผั่วไปจึงตั้งใจแต่ทาบําเพนจนถึงตว่าถึงที่สุดที่มุทิชานเมื่อใดตอนนั้นแหละจึงแกปล่อยวางคุณงามความดีได้ทางหาดยังไม่ถึงที่สุดที่มุทิชานท่านก็สร้างสม รวมคุณงานความดีตลอดมาพระพุทธเจ้าและสาวเคยกระทำบำเพ็ญอย่างนั้นเกิดนั้นท่านผู้ที่ไม่เคยเข้าวัดฟังธรรมจำศีลภาวานา ก, าก็ทาการเทยางกระทำบำเพ็ญคุณงานความดีส่วนนี้เอาไว้ความดีส่วนนี้ไม่จิตหายไปสถานที่ใดจะจิตตนตามตัวไปสรงผลจนถึงที่สุด อย่างพระัญญากลัญะหรือปัญจวัคีทั้งห้าเพราะชาตนี้เรายังไม่ได้เนี่ยิ้งชาติทางหน้าก็อุตส่าห์พยายามสั้างสมบูรมให้ทวีคูณขึ้นหลายชัางหลายปีหลายปีหลายเดือนเก็บห้อมร้อมฤทธิ์ไม่หยุดไม่ถอยถึงจะได้มาทีนิดทีหน่อยเมื่อหลายชัางหลายหนเข้าก็มากมาย่ายกองขึ้นเอง ของใหญ่จะต้องมาจากของน้อยเยราจึงไม่ควรประมาทว่าของนิดหน่อยจะไม่ผลตสียตนข้องตนถ้าพุทธเจ้าไม่เห็นประมาทในบุญในกุศลอย่างนั้นการที่ทํำทานการกุศลอย่างการถวายผ้าอาบน้าฝนบางท่านบางคน ก, ก็จะไม่รู้จักว่าการถวายผ้าอาบน้าฝนนี้เป็นอย่างไรอันนี้สงท้องการถวายผ้าอาบน้าฝน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 วันนั้นนางธีสาขาอุบาสิกาเข้าไปวัดพระเอลใจศึกษาหาลือสังเสดังทำจากพระพุทธเจ้าพอเสร็จจากการกระดับล่าฟังฝนก็ตกเป็นหยดพอฝนตกหนักเท่านางกาะลงจากพระคันทักุดีของพระพุทธเจ้ามาพระที่สุสงในวัดมา ที่พระพุทธเจ้าอยู่ไม่มีบุคคลผู้ใดในเทตกุฏองค์ใดสา ม, มาเณรองค์ใดมีผ้าอาบน้ำฝนพอฝนตกค็นื้ออย า, อากอาบน้ำก็ถ้าออกเรียกชายลงอาบน้ำันตามตายคาจะจีนางเห็นแล้วสยดสยองเอชาทีา่สุ่สา ม, มาเณรทําไมทําอย่างนี้คิดในอกในใจว่าการที่ท่านทําอย่างนี้คงไม่มีผ้าอาบน้ําฝนแน่ งานคิดแล้วก็เลยถอาไปถอดฝนตกหายขอดไปสู่บ้านของนางแล้วก่อนจัดท่าอาบน้ำฝนตามตํำรับตําราบอกว่าถึงพันห้ารอยขออกมาปราบทูลเทพพุทธเจาา้าอย่างจะถวายท่าบน้ำฝนพระพุทธองค์ก็ทรงอนุญาตาพอพระองค์ทรงอนุญา ต, าญาตให้พระที่สู่สามเณนนี้่าอาบน้ำฝนมาเวลานั้น ถึงฤดูฝนถึงฤ ด, ดูจำพรรษาพระพุทธองค์ก็ทรงบัญญัติให้พระพิสุานนสามเณรแสวงหาธาตอาบน้ำฝนตามสถานที่ต่างๆนับตั้งแต่เดือนเจ็ดแรมค่ำ 1, ห, าาาหนึ่งยื่ยมาหาธาอาน้ำฝนแตสมัยปัจจุบันทุกวันนี้ญาติโยมพี่น้องทั่วไปมีจิตศรัทธารู้จักว่าหน้านี้เป็นกามเป็นเวลาถวายธาตาน้ำฝน ทิศตูสามเณรทั่วไปในประเทศไทยโดยส่วนใหญ่ที่เคยผ่านไม่เคยมีทิศตูสามเณรรูปไหนไปแสวงหาธา่ธาอนุผลเพราะพวกท่านพุทธศาสนากนนี้ไปคนถือพระพุทธศาสนานํามาถวายให้เลยในลําบากยากเย็นในการแสวงหาธาอนาผลามีธาอนาผลกันทั่วไป คือเป็นพิสูจน์สามเณรคือยู่ในวัดในวังแล้วเมื่อนางถวายผาบนฝนได้อย่างนั้นพระพุทธองค์ก็ทรงบัญญัติให้แสวงหาผาบนฝนอย่างนั้นฉันถึงวันเดือนเปิดขึ้นค่ำหนึ่งสก็ให้อธิษฐานทำนุ่งทําผมได้ทางหาดแสวงหาหรือทํานุ่งผมผิดเวลาฉันก็ปรับอาบัติอีกยังมีการปรับอาบัติส่วนพิสูจสงศ ผู้สแสวงหาใแใจการในใจเวลาหรือทำหนุก่อนเดือนแปขึ้นขั้มหนึ่งจะได้มาในเดือนเจ็ดจะทำในเดือนเจ็ด ท, เดทาเป็นผ่าหน้าฝนเพ้าองค์ปราบโทษของพิสุขผุดละเมืด อ, อย่างนั้น <S <S ตั้งแต่นั้นมาเรื่องการถวายผ่าอาบหน้าฝนมีประจํามาตั้งแต่พุทธกาลจนกระทั่งปัจจุบันทุกวันนี้